ตั้งใจทำงานของตนโดยเฉพาะงานที่อยู่ในโลกที่เราทำทำมาห้ากินบางทีก็ทำไรทำ่ทำนาทำราชการงานเมืองค้าขายทำธุรกิจงานการต่างๆเหล่านั้นมันก็หาดเป็นงานย่ีหลอกแต่เป็นงานเพื่อร่างกายบ้างเพื่อมูเพื่อน เพื่อสังคมบ้างเพื่อหมู่คณะในที่สุดก็เพื่อโลกนั่นแหละเป็นงานของโลกที่เราทำแล้วผลที่ได้รับคืนให้โลกงานนั้นเป็นอย่างนั้นและที่เราทำงานน่ะไม่ใช่ว่าเราจะใช้แต่ร่างกายนะเราใช้จิตเราใช้ใจเราด้วยที่สำคัญก็คือใช้เวลา เขาให้เรามาเกิดนี่นะให้จิตมาครอบครอร่างกายเนี่ยอยู่ชั่วระยะหนึ่งซือให้เวลามาระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็โลกก็มาค่อยๆมาหาวิธีเบียดบังเอาเนี่ยของเราเนี่ที่มีที่หน้าหวงแหนที่สุดคือเวลาเนี่ยมาเบียดบังเอาไปจนหมดคือว่าให้เรามีความเห็นในการที่จะทำงานเนี่ย ก็ทำไปในเรื่องต่างๆที่มันเป็นเพื่อสังคมบ้างเพื่อมูเพื่อเพื่อนเพื่อครอบเพื่อผัวเพื่อลูกเจ้าในที่สุดก็เพื่อตอนเองว่าซือร่างกายเราจะยังมีชีวิตยอยู่ได้ต้องทำงานทำการก็เลยหมดเวลาไปแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันไม่ใช่ของเราสักอย่างคือไม่ใช่ของ ในจิตในใจเลยใจไม่มาครอบครองในนี่มาอยู่ในนี่นึกว่าทำงานทาการแล้วจะได้ผลเกบผลที่ได้นะกลับไปติดตัวไปไปสู่ใสยุง่งใสช้างของตอนคือใส่จิตใส่ใจของตอนนะไม่มีจนในที่สุดสี่สิบปีก็แล้วห้าสิบปีไปแล้วเก้าสิบปีก็แล้วเลยตายตายหรือว่าร่างกายมันหมดสภาพนี่แหละ โลกมันก็มีวิธีหลอกเอาอย่งี้แหละคล้ายๆกับว่าได้เวลาให้เวลามาแล้วแต่ก็หลอกเอาหมดเกลี้ยงนี่นี่เรามาฝึกฝนใจเนี่ยหลพวกเราทํางานนี่งานนี่แหละเป็นงานที่เราจะได้จริงๆคือเราจะได้คุณภาพจะได้คุณธรรมต่างๆเกิดในจิตในใจของเราเกิดในจิตในใจแล้วโลกเอาไปไม่ได้ อย่างคุณธรรมบางประการอย่างเช่นเนี่ยเอาบุญบุญกุศลอย่างเนี่ยหรือว่าสมาธิาี่สติอย่างเนี่ยสมปัญญาอย่างเนี่ยปัญญาคือความเฉลียวฉลาดอย่างเนี่ยรอบรู้จนกระทั่งเอาจิตเอาใจของตนพ้นจากปลักจากหลมพ้นจากความทุกข์ความเบือดร่อนเนี่ยปัญญาเหล่านี้สิ่งต่งตางๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดแล้วมันเจ็บไว้ที่ใจ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านะี้โลกออกคืนไม่ได้โลกจะหาวิธีมาฉกชิงวิ่งลาวลวยลักขโมยเอาเนี่ไม่ได้เราทำงานนันนี้แหละแล้วมันจะได้ได้ผลขึ้นมาแล้วจะเป็นของเราเพราะฉะนั้นจึงมีอยู่หลายๆที่ครูบาอาจารย์นะเทศบ้างแสดงบ อ, บอกเราบ้างสัง่งสอนเราให้เราประพฤติปฏิบัติทม คือประพฤติปฏิบัติที่จิตใจเนี่ยมากๆากท่านอาจจะไม่พูดโดยตรงว่างานทั้งหลายที่ทําทั้งหมดนะมันก็จริงจะหลอกเลี้ยงร่างกายเลี้ยงร่างกายเลี้ยงชีวิตแต่ในที่สุดนั้นจ่าใดที่ยังไม่ได้อะไรในจิตในใจนะเรียกว่ายังไม่คุ้มค่านะถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็บอกว่างานนั้นเน่ะเป็นงานของเขาไม่ใช่งานของเราได้เท่าไหร่ก็เขาเก็บเอาม o ต้องทำอันนี้จริงจะดีเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเนี่ยจนสมมติบันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยจําเป็นอยู่ที่จะต้องรักษาร่างกายนี้ไว้อย่าเพิ่งให้มันตายอย่าเพิ่งให้มันชุดโทรมแต่รักษาไว้ได้แล้วนะ่ะอย่าลืมว่ามันก็จะหลอกเอาอีกมันก็บอกว่าพัสกสักก่อนพุงนี้สะกก่อนมือนี้นสกักก่อนเนี่ยระวังระวังตัวนี้ไม่ได้เนื้อมันก็หลอกอีกแหละ ในที่สุดก็เลยไม่ได้ทํทาทั้งๆที่มันสบายแล้วรักษาไว้ได้แล้วร่างกายเนี่ยอร่ำร่ำํำจะตายก็เลยไม่ตายแล้วอยู่ได้สบายแล้วก็ยังไม่ทําอีกแหละเพราะฉะนั้นรักษาร่างกายไว้ได้โดยการกินข้าวรับประทานอาหารเส ร, ร็สับฉันอยู่ฉั้นยากินยารักษาความเจ็บความป่วดเสร็จแล้วร่างกายอยู่ได้แล้วทําความเพียรภาวนานี่อย่างเรามานั่งภาวนาวันนี้ อันนี้เป็นการทำงานที่เราจะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ไม่ต้องไปแบ่งใครละอย่างหาอยู่หากินนะฉัต้องไปเสียภาษีจะต้องไปแบ่งให้ลูกแบ่งให้ร้านแบ่งให้สังคมเนี่ยมันมีอยู่แล้วเก็บภาษีต้องไปเจือจานซะก่อนเหลือเท่าไหร่นั่นแหละจึงจะเป็นของตนจึงจะเป็นของตนก็ถ้าพูดถึงว่าเป็นของตนเป็นของเลี้ยงร่างกายเรา มันก็ในที่สุดโลกก็เอาขึ้นไปอีกแหละร่างกายเนี่ยมาให้สักชิ้นหนึ่งเลยทางของความภาคความเปลี่ยนเอาในนี้จิตใจของเรามันวิ่งมันว่อนอยู่ภาวานาคือการฝึกฝนให้จิตใจมันมีคุณภาพในคุณธรรมคุณธรรมที่เราจะฝึกในจิตใจเนี่ยอย่างที่หลวงปู่ท่านเทศอยู่เมื่อวานนี้กับกันท่านบอกว่า คนเราเรียนความโง่คือจิตเนี่ยมาได้รับร่างกายมาครองร่างกายแล้วเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักใช้ร่างกายเนี่ยมันก็โง่อยู่ยโง่ยังไงมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ออกเนี่ยจิตกับร่างกายมาอยู่ด้วยกันเนี่ยลราไม่รู้เรื่องซึ่งกันและกัน ท่านบอกว่าตากับไถ่ทอยเนี่ยเหมือนอย่างนั้นอ่ะเหมือนตากับไถ้ทอยมันอยู่ด้วยกันบนหัวเนี่ยตามอยู่ข้างหน้าไถ่ท อ, ทอยอยู่ข้างหลังอยู่ด้วยกันตลอดมาแต่ว่าไม่เคยเห็นกันสักทีากนานแล้วเราเนี่ยจิตกับกายเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันตั้งแต่เกิดเหมือนแหละแล้วก็ไม่รู้จักไม่รู้จักกัน ทำไมถึงว่าไม่รู้จักที่ยังไม่รู้จักเหลือแขนเนี่ยจะรู้จักจะไม่รู้จักเหลือแขนน่ะแขนขาหูตาเท้าผมชี่เหนือกชี้ไสยนี่ย่อไม่รู้จักเลยมันไม่รู้จักซีอย่างแขนอย่างขามันรู้จักไปทั้งนอบเนี่ยที่มันลึกซึ้งเข้าไปก่อนนั้นสักหน่อยใต้ผิวหนังเนี่ ย, ยก็ไม่รู้จักแล้วท่านบอกว่าร่างกายเป็นของโสโครก เป็นของโกโปกแล้วก็ไม่รู้จักชิดดูซิเนี่แช่อยู่ด้วยกันมานานเท่าไหร่เนี่ยมันจะเกิดมาก็าไม่รู้จักอลยไม่รู้จั ก, กว่าเป็นของสกโปกทั้งที่ท่านบอกแล้วเรารู้เองนะรู้ไม่ได้ท่านมาบอกว่าเนี่ยเป็นของสกโป ก, นนกนเนี่ยชุ่มแช่อยู่ด้วยกันก็ยังไม่รู้อีกแหละในท่านยกตัวอย่างนดูซิเนี่ยร่างกาย ม, มีส่วนนั่นเหม็นส่วนนี้เน่ามันไหลเข้าไหลออกอยู่เนี่ยเห็นไหมล่ะ ก็ยังไม่ค่อยจะรู้จักอีกแล้วลึกเข้าไปกว่านั้นนีว่วะร่างกายนี่มันเป็นดินน้ำไฟลมดินน้ําไฟลมนี่มันเป็นของโลกก็ยังไม่ค่อยรู้จักเลยดินคือที่เซ็ที่แข่นที่แข็งน้ำเหลวอไฟก็ร้อนเย็นลมก็คืออุบอุบวาวัาบพัดไปพัดมาคือความสามารถเคลื่อนได้ ตีนตัวได้เคลื่อนไปเคลื่อนมาได้เนี่ยเรื่องวัลักษณะของลมเนีะ่ะท่านก็ให้ดูเนี่ยแล้วสิ่งต่างๆเ่เหล่านี้ดินน้าไปลมเนี่ยมันเป็นของในโลกนี้เราก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเหนือยนึกว่าของเราของเราของเราเนี่ยนี่คือความไม่ฉลาดนี่คือความโง่ท่านบอกให้เรียนตรงนี้แล้วอย่าท่านบอกอย่าไปเรียนไกลไปเรียนไกลโน่นไปเรียนโรงเรียนโน่นไปเรียนมหาวิทยาลัย ประเทศโน้นประเทศ น, ôn, ทศนี้เรียนไปไกลไกลท่านบอกเรียนอย่างนั้นไม่จบคือเรียนกลับมาแล้วยังโง่อยู่ทำไมจึงบางโง่ก็อย่างทีว่านั่นแหละไปเรียนมาไกลไกลแต่เรื่องของตัวเองแท้ๆนี่ไม่รู้จักนี่มันไม่รู้จักอยู่ตรงนี้แล้วท่านบอกว่าที่ลึกเข้าไปกว่านั้นมันยังรอให้เรารู้จักอยู่นะคือมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขัง แล้วที่สุดมันก็คือมันเป็นอนัตตาแล้วเขาก็ไม่รู้จักเล่แหละทั้งเห็นคนป่วยคนแก่คนป่วยคนตายก็เห็นอยู่ไม่ใช่ไม่เห็นก็เห็นอยู่ว่าแกคนที่เขาแกเขาชอบไหมเขาก็ไม่ชอบเจ็บใครได้ป่วยเขาชอบไหมเขาก็ไม่ชอบตายเขาชอบไหมเขาก็ไม่ชอบ แล้วทำไมมันถึงเฟ้นเราก็ไม่ไม่รู้จักเลยว่ามันเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครอ น, นั่นคืออนัตตาแค่นี้เราก็เห็นอยู่แต่ก็ไม่รู้จักนี่อันนี้แสดงถึงความางโง่รู้เรื่องมันมาอยู่ด้วยกันแท้จิตกับกายเนี่ยตั้งนานมาแล้วโดวยไม่ใช่วันสองวันเมื่อไหร่มันก็ยังไม่รู้จักแล้ว คนโน้นที่ไม่มาถึงเรานี่แหละอยู่ใกล้ๆนี่คนโน้มนมันยังไกลไปเราเนี่ยเราเนี่ยแก่ชอบไหมไม่ชอบไม่ชอบก็อยาให้มันแก่สิก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากป่วยไม่อยากเจ็บก็อยากให้มันเจ็บสิก็ไม่ได้อย่าให้ตายมันก็ไม่ได้มันก็ต้องตาย อันนั่นเป็นลักษณะที่มันเป็นของมันมันไม่เป็นของเราเลยท่านให้เรารู้อันนี้ว่ามันเป็นอนัตตาเราก็ไม่รู้จักดังนั้นไปเรียนมาจากมหาวิยาัยไหนสูงตรงขนาดไหนก็ยังโง่อยู่มันโง่อย่างนี้แหละที่ท่านบอกว่าโงน่น่ะนะโง่คือไม่รู้จักแม้กระทั่งเรื่อง ใกล้ๆตัวเนี่ยอยู่ด้วยกันมาแล้วก็ดเศน้อยก็ยังไม่รู้จักนี่คือความงโง่ทีนี้ท่านบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเรางโง่ก็ฉลาดขึ้นบางแล้วทำไมไมงเป็นอย่างนั้นก็เมื่อรู้ว่าเจ้าของโง่มันก็จะได้มาสนใจมันจะได้มาเรียนรู้สมันจะได้เรียนรู้มันจะเริ่มเรียนรู้ขึ้นอ่ะอ้าวมันจริงอย่างท่านว่าซะแล้วเป็นอนิจจังจริงหรือเปล่า เราเมื่อสักสิบปีก่อนเป็นยังไงขณะนี้เป็นยังไงเอมันจริงแล้วร่างกายนี่มันไม่ได้อยู่อย่างนั้นไม่ได้อยู่อย่างนั้นมันเปลี่ยนแล้วมันเป็นอันนี้จังจริงๆแล้วในที่สุดมันเป็นอนัตตาจริงๆคือเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้มันแก่อย่างนี้เลยเราอยากกระฉับกระเฉงอยู่อย่างเก่ามันก็ไม่เป็นนั่นมันเป็นของมันมันไม่ใช่ของเราเน่ยมันชัดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละถ้าเผื่เรา มีความรู้จักว่าเออเราเรียงโง่อยู่ความฉลาดก็จะค่อยๆ ค, คืบคลานมามันก็จะค่อยๆฉลาดขึ้นนั่ น, นอย่างเนี้่ยท่านบอกว่าธรรมะต่างๆที่เราจะเอาที่มันที่เราจะเรียนนะ่ะที่เราจะได้นะ่ะมันได้จากความโง่นี่แหละท่านว่าอย่างนั้นเรามาลองพิจารณาดูสิมันจริงอย่างท่านว่าจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าว่า เห็นต่อไปเห็นต่อไปเห็นความจริงของสิ่งต่างๆ ต, ต่อไปเรื่อยๆอย่างสมมติว่าใจมาอยู่กับกายเนี่ะอยู่กันมานานเนี่ยถ้าเราไปไหนไปไหนมาแล้วทําอะไรทําอะไรหมดแล้วเนี่ยกลับมาพิจารณาตัวของตัวเองถ้าตั้ง อ, อกตั้งใจพิจารณาจริงๆนะไม่เที่ยวเตลิดนี้ไปเฉยกอนมันจะค่อยๆฉลาดขึ้นฉลาดก็จะเห็นว่าเออเราในไหนรู้เรื่องของตัวเองเนี่ย เป็นอันมากยังมีอีกหลายเลยหลายอย่างที่เราไม่รู้จักตัวเองมันก็จะค่อคยๆรู้จักอย่างนี้รู้จักแ่าเราไม่รู้แล้วต่อไปถ้าไม่รู้แล้วก็ฟังพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายของเราเนี่เป็นอสุภะเอ๊ะมันจริงไหมแต่ก่อนเราไม่เคยพิจารณาเลยนึกว่ามันมีแต่ดีอยู่เรื่อยอาบน้ำถู ส, สบู่ถูตัวแล้วก็ มาสบายสะอาดแล้วนึกไปอย่างนั้นมาแัด น, นี้รู้พอได้สังเกตจริงๆอยู่จางเออมันมีของโสโครกอยู่ในนี่ในลใําไส้ในไส้ในภูมิก็มีในหูใ น, หในตาในที่ไหนมีมีอยู่มีความสกรปรกอยู่ในนั้นจริ ง, รงแๆแล้วก็จะค่อยๆฉลาดอย่างนี้รู้ตัวรู้เรื่องของตัวรู้เรื่องของกายคือใจมารู้เรื่องของกายพอใจรู้เรื่องของกาย มันก็ค่อยรู้ลึกซึ้งเข้าไปถึงว่าเออมันเป็นอนัตตาจริงๆเมื่อมันเป็นอนัตตามันก็คือเรื่องของมันอ่ะก็มันไม่เชื่อฟังเรามันไม่เชื่อฟังใจเนี่ยก็ใจจะไปมัวยุ่งมัวเยิงกับเขาทําไมแล้วมันก็จะฉลาดสิเขานี้ยโอ้แกหลอกแกหลอกข้ามาได้นานเนี่ยหลอกข้ามาได้นานความจริงเขาไม่ได้หลอกนะความจริงไม่ได้หลอกตัวเองน่ะโง่จิตใจเองน่ะโง่ เขาอยู่ของเขาอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีแก่ไม่เจ็บมีตายมีโศกโรคมีดินน้าไฟลมอย่างนั้นอยู่ตลอดมาอย่างนั้นเพราแต่เขาเปลี่ยนไปตามปตรีของเขาอะมีแต่จิตมีแต่ใจนี่แหละมันโง่เองก็เลยมาเห็นความจริงแล้วก็เออเรานี่เว้ยเราเนี่ยไปเขี่ยวจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ความจริงมันไม่เป็นเลยหรือเราอยากจะให้มันเป็นมันก็ไม่เป็นถึงเราไม่อยากให้มันเป็นมันก็ไม่เป็น เออมันเรื่องของมันจริงๆก็เห็นอย่างนั้นแล้มันก็หมดธุระหมดกรมการอะไรที่จะต้องไปยุ่งไปเกี่ยวนี่เลยว่วาฉลาดแล้วเมื่อไม่มีสาเหตุที่จะต้องไปยุ่งจิตมันก็ถอนได้ก็รู้ว่าเออมันของใครของมันถึงจะอยู่ด้วยกันกับของใครของมันเอาอยู่ใครอยู่มันเถอะคนนี้ถ้าจิตเป็นอย่างนี้ความลําบากแต่ก่อนมาจะหมดไปสีเดียว เพราะว่าที่มันเดือดร้อนมากๆก็คือจิตนี่แหละมันไปยึดเอากายจิตเนี่ะมันไปยึดเอากายคือในที่สุดก็ยึดว่าพบนี้ชาินี่พบนี้ชาตินี้ก็คือกายนี่แหละกับจิตนี่แหละมันอยู่ด้วยกันถ้ามันแตกสลายมันฝ่ายไหนไปหนึ่งแตกสลายกายนั่นแหละแตกสลายเราเรียกว่าหมดพบหมดชาตด เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ถ้าจิตมันรู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรของข้าของแกส่วนแกเอาไปของแกชาเอาไปของข้าสิมันก็หมดกันครบชาญมันก็หมดพบชาญหมดแล้วมันจะมีแก่ที่ไหนเรามีตายที่ไหนจิตก็อยู่คนเดียวจิตเนี่ยตายก็เปนะ็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของดินน้ำไปลมไปซ้ําไปนี่มันก็หมดมูละหมดภาระท่านบอกมันจะพ้นกับพ้นได้ตรงนี้มันจะฉลาดแต่ฉลาดตรงนี้แหละ รู้จักเอาตัวรอดในวัชราสตร์ผู้ที่เรียนหนังสือมาเรียนอะไรวิชาต่างๆมาในโลกอ่ะยาเลี้ยวฉลาดตาดเปืองเนยก็ยังไม่พ้นอันนี้หรอกถ้าเรียนวิชาของพระพุทธเจ้านี่จึงจะฉลาดจริงเอาตนรอดได้จริงถ้าผู้เรียนจากที่อื่ น, เ อ, นอเอาตนไม่รอด เ, ดดาด อ, เอาตนไม่รอดเลสคาดอขอเป็นี้ฟังเทศของหลวงปู่นั่งภาวนา